สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนายทหรคนชอบเล่าในหมวดของเรื่องลี้ลับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปเก็บผักกันบ้างนะครับเพราะว่าผักมันมีประโยชน์กับร่างกายเรื่องราวการเก็บผักจะเกี่ยวกับประสบการณ์ลี้ลับยังไงก็ลองฟังจากประสบการณ์ของพี่นาพี่นาเพื่อนรุ่นพี่ของผมที่ได้ถ่ายทอดให้ผมฟังพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของพี่นากันเลยนะครับ พี่นานได้เล่าเรื่องตอนที่แกเป็นสาวรุ่นให้ฟังว่าหมู่บ้านที่พี่อยู่ก่อนจะมาทํางานมีครอบครัวอยู่ในกรุงเทพเนะ่ยก็บ้านพ่อบ้านแม่นะ่ะอยู่อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเมื่อก่อนในหมู่บ้านที่อยู่ก็ห่างไกลความเจริญพอสมควรเพิ่งจะมีถนนลาดยางมาเมื่อไม่นานนี้เองคนถแถวๆนั้นนะ่ะก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกันไม่หวือหวาพี่ก็เหมือนกันสมัยนั้นนอกจากจะทําสวนแล้ว ก็ยังเข้าป่าไปเก็บผักมาขายด้วยคือว่าภู ม, มิภาคแถบนี้น่ะมีภูเขาใกล้ๆกับชายแดนพอฝนมันตกแต่ละทีไม่กี่วันพวกผักป่าก็จะขึ้นกันสามารถไปเก็บมากินแล้วก็ยังขายได้ด้วยโดยเฉพาะผักหวานได้ราคาดีทีเดียวภูเขาที่ว่าน่ะก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลกว่าเวลาไปเก็บผักกันพี่ก็จะไปกับพวกเพื่อนๆไปกันเป็นกลุ่ม ก็พากันเดินเท้าไประหว่างทางก่อนจะถึงตรงเขาอ่ะก็จะมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่บึงหนึ่งน้ำใสแจ๋วเลยแล้วก็ยังมีสายบัวให้เก็บอีกมากเลยนะเอามาทำกับข้าวกันได้ด้วยเพื่อนบางคนก็เก็บอหอยขมมากินแต่พี่ไม่ชอบกลัวพยาธิก็เก็บแต่พวกผักบุ้งกับสายบัวเท่านั้นแหละเหลือจากแบ่งไว้กินก็เอาไปขายพอได้ค่าขนมและมีอยู่ครั้งหนึง่งที่พวกพี่จะไปเก็บผักกันบนภูเขา แต่ก็เพระไอ้เรื่องเก็บผักบนภูเขานี่แหละแม่พี่บอกว่าพากันขึ้นไประวังนะจะเจอสิ่งไม่ดีข้างบนนะ่ะมีคนเขาเคยเจอกันมาแล้วหลายคนนะทําเอากลับมาเป็นไข้ล้มหมอนอนเสือกันเลยทีเดียวเขาว่าเป็นผีป่าใครดวงสวยๆก็มักจะเจอแม่แกบอกแกบอกว่ามีคนในหมู่บ้านเรานี่แหละเล่าให้แกฟังอีกทีว่าตอนไปเก็บผักนะ่ะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งตายบนไม้ ไม่พูดไม่จานั่งก้มหน้าเงย ห, หน้าขึ้นมาก็าตาแข็งทื่อรู้สึกไม่คุ้นหน้ากันเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนจากถิ่นอื่นก็เลยเดินเข้าไปถามมันก็ไม่พูดไม่จาด้วยเอาแต่จ้องหน้าอย่างเดียวจนรู้สึกกลัวพอหันหลังจะเดินไปหาเพื่อนก็ตกใจมาเจอนางผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้เนี่ยที่นั่งอยู่ดันไปยืนอยู่ข้างหลังใกล้ๆมีกลิ่นเหม็นเน่ารอยฟุ้งตลบอบอวลไปทั่วและหน้าตาเนี่ยก็เริ่มเหี่ยวย่น ก็เริ่มเหยียดอ้าออกจากกันเห็นฟันข้างในสีคล้ำและแหลมด้วยก็เลยแหกปากร้องขอความช่วยเหลือได้นเลยพอพวกเพื่อนวิ่งไปดูก็ไม่มีแล้วเขาบอกกันว่าบนนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ต้องห้ามห้ามเข้าไปพี่กับพวกเพื่อนๆ น, นก็มีความเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่กุกขึ้นกุกขึ้นมาเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะไปแย่งผักมากกว่าผีเผลอือไม่มีหรอกเพราะว่าวันนั้นน่ะ พวกเราตั้งใจจะไปเก็บผักที่บริเวณต้องห้ามกันคิดว่าน่าจะมีเห็ดโคลนขึ้นมากผักหวานก็น่าจะเยอะแน่ๆนเพระว่าช่วงหลังๆก็ไม่เห็นมีใครเข้าไปเก็บผักกันอีกเลยนานแล้ววันนั้นพวกพีก็ไปกันห้าคนสัญญากันว่าจะห่างกันไม่เกิน20เมตรและถ้าเจออะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้ตะโกนเรียกกันนะแต่ไม่ให้เรียกชื่อจริงกันเคยได้ยินมาว่าถ้าเรียกชื่อจริงกันเดี๋ยวผีป่ามันได้ยิน มันจะสวมรอยเป็นคนคุณนั้นแล้วก็จะหลอกหลอนให้กลัวพวกเราก็เชื่อตามเคล็ดนิดนึงตั้งชื่อกันตามอักษรไทยเลยกขคอองอจอง่ายดีเพราะพวกเราเดินไปถึงบึงที่อยู่ระหว่างทางก็ล้างหน้าล้างตาเอาน้ําลูบตัวพอให้สดชื่นกันหน่อยกะว่าพอไปเก็บผักกันเสร็จก็จะกลับมาเก็บสายบัวกับผักบุ้งไปทํากับข้าวกินกันตอนเย็นนั่งพักเสร็จก็พากันเดินมุ่งตรงไปทางภูเขากันเลย วันนั้นอากาศดีท้องฟ้าข้างบนดูเหมือนจะอุ้มเมฆนิดหนึง่งแต่ก็ให้ความรู้สึกว่าไม่ร้อนเหมือนว่าอาจจะมีฝนตกพวกพี่เลยต้องรีบกันนิดนึงเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วกลัวว่าจะมีน้ำป่ามันอันตรายมากพอไปถึงตีนเขาเพื่อนคนหนึ่งก็ปีนขึ้นไปก่อนเลยมันบอกว่าสงสัยเห็ดโคนมันจะขึ้นตามร่องดินนะพวกเราเตรียมเอาเสียมเล็กๆไปขุดเจาะกันเลยนะเก็บเห็ดโคนกันเลย ถ้าทางจะมีเยอะพวกที่เหลือก็เดินตามกันขึ้นไปเหลือพี่เป็นคนล้างท้ายไว้คนเดียวพวกโวแต่เมอคิดถึงเห็ดโคนกับเมนูเย็นวันนี้จนพวกเพื่อนมันเรียกเร็วๆก็รีบเดินตามมันเลยแต่เดินด้วยความลําบากเหมือนกันนะเวลาขึ้นไปก็ต้องก้มหน้ายิ่งทางลาดชันมากก็ต้องก้มเยอะๆแล้วก็ทางขาออกเหมือนไต่เขาประมาณนั้นช่วงที่สายตามองลงไปด้านหลังก็ตกใจเห็นใครไม่รู้เดินอยู่ข้างหลังตามมา ต่หางกันพอสมควรผมยาวนุ่งป้ถุงก็เลยหันไปเรียกเพื่อนเฮ้ยเฮๆไอ้คนข้างหน้าก็หยุดแล้วถามว่าอะไรพี่เลยหันไปมองดูข้างหลังอีกทีปรากฏว่าไม่มีแล้วพี่คิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดก็บอกเพื่อนว่าเปล่ารอด้วยคิดอีกทีก็ไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นชาวบ้านมาหาของป่าแบบเราก็ได้พอขึ้นไปได้ที่ถึงจุดสวนรวมก็แยกย้ายกันออกไปหาของโดยกาหนดเวลาว่า ประมาณชั่วโมงหนึ่งจะได้มากได้น้อยยังไงก็ต้องกลับมารวมตัวกันที่นี่ตัวพี่ก็แยกออกไปทางซ้ายมือเพราะว่าพอมองดูก็เห็นผักหวานพอมีอยู่ก็เดินไปเลยตาก็มองพื้นเผื่อจะเจอเห็ดโคลนกับหน่อไม้บ้างความรกของพื้นดินเนี่ยมันดูน่ากลัวอยู่นะในใจก็คิดว่าขออย่าให้เจอพวกงูนะกลัวจริงๆพวกเราก็แยกย้ายกันไปสักพักก็ตะโกนเรียกชื่อกันเป็นระยะระยะก็มีเสียงตอบกลับมา แต่ก็ไม่รู้ไมอยู่ตรงไหนกันแต่ก็รู้ว่าไม่ไกลกันมากพี่ก็เดินเก็บผักไปคิดว่าระยะทางมันก็เริ่มจะลึกนะตอนนั้นกําลังเก็บเพลินเลยกล้มหน้าก้มตาเก็บเห็ดอยู่ก็สะดุ้งสุดตัวเลยเพราะเงยหน้าขึ้นมาสายตา ม, มันเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเห็นผู้หญิงคนเดิมคนนั้นที่เห็นแว บ, บมาเดินตามหลังตอนนั้นแล้วหายไปนะ่ะกลับมาโผล่อยู่ตรงนี้บนตอไม้ถือนั่งโยงย ผมเผากระเซิงสีดำน่ากลัวมากใจสั่นหมดเลยตอนนั้นและยังทำเหมือนตามองมาที่พี่อีกแบบไม่เป็นมิตรเอาซะเลยพี่ต้องถอยหลังออกมาแบบกึ่งนั่งกึ่งลุกเธอคนนั้นนั่งเงียบๆไม่พูดอะไรเลยเอาแต่จ้องหน้าอย่างเดียวแววตาชวนหลอนมากหน้าตาก็แปลกคางแหลมเหมือนลิงมากกว่าคนตั้งใจว่าจะตะโกนเรียกเพื่อนๆให้มาดูผู้หญิงคนนี้หน่อยแต่ร้องไม่ออกเรียวแรงมันหายไปไหนไม่รู้ ยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีกความกลัวทวีขึ้นเพราะว่าขนาดนั้นเธอคนนั้นก็กระโดดลงมาจากตอไม้ลุกขึ้นยืนสายตายังคงจ้องมาที่พี่รูปร่างของเธอคนนั้นตอนยืนเหมือนจะหลังคอมนิดนึงเดินตัวแข็งๆเข้ามาเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใบหน้าที่ตอนแรกน่าจะประมาณสามสิบตอนนี้กลับเริ่มเปลี่ยนเหิยวย่ไปเรื่อยๆเหมือนคนแก่นึกถึงคำบอกของแม่เลยเรื่องผีป่า สงสัยจะเจอเขาเองซะแล้วสิตัวสั่นกลัวมากพยายามตะโกนแบบสุดเสียงแต่เสียงมันก้องอยู่ในลําคอแต่เธอคนที่น่ากลัวก็เดินเข้ามาหาใกล้ขึ้นทุกทีใกล้ขึ้นทุกทีเสียงฟ้าก็ร้องไปเอียงทําให้เหว๋เข้าไปใหญ่เลยหูก็ได้ยินเสียงเพื่อนบอกว่ากลับกันได้แล้วกลับกันได้แล้วเฮ้ยพวกเราใจตอนนั้นก็อยากจะกลับมากแต่มันทําไม่ได้ลุกไม่ขึ้นได้แต่นั่งมองผู้หญิงคนนั้นที่กําลังอ้าปาก ทำให้เห็นฟันที่แหลมน่ากลัวมากอย่านะอย่านะร้องได้แต่ในลำคอผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเสียงมันน่ากลัวชวนหลอนมากๆมันเย็นๆแล้วก็เดินเข้ามาเกือบจะถึงตัวอยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงหลับตาตะโกนเรียกพ่อเรียกแม่ในลำคอเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยแต่ตอนนั้นเสียงมันกลับดังออกมาดังลั่นเลยผีตัวนั้นมันชะงักเลยแล้วก็มีเสียงเพื่อนตะโกนออกมาว่า ไอ้น้าไอ้น้าเป็นไรวะเป็นไรวะผีมันสะดุ้มหันมามองหน้าพี่แล้วก็หันหลังวิ่งเข้าหายไปหลังพุ่มไม้เลยพอดีเพื่อนๆนวิ่งเข้ามาเห็นพี่นั่งร้องไห้ตัวสัน่นพู้จาไม่รู้เรื่องก็เลยช่วยกันประคองลงมาจากเขาพากันกลับบ้านแบบทุลักทุเลฝนก็เริ่มตกออกมาได้สักพักฟ้าก็ร้องดังลั่นเลยพี่จะไม่มีแรงสะดุ้งโหยงเลยวิ่งนําหน้าเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนกลับบ้านเลยพอกลับไปถึงบ้านเพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรวะ เป็นอะไรร้องไห้และตะกนทำไมก็เลยเล่าให้พวกมันฟังพวกมันก็กลัวกันใหญ่เลยนะและพ่อกับแม่ก็ได้ยินแม่เห็นว่าพี่ขวัญไม่น่าจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแหละก็เลยเอาพระเครื่ององค์เล็กๆมาคล้องคอให้คืนวันนั้นพ่อแม่มานอนด้วยก็รู้สึกดีค่อยอุ่นใจหน่อยยังสยองติดตากับเรื่องที่เจออยู่เลยรู้สึกว่าหลับไปนานมากก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ เสียงเย็นๆน่ากลัวเรียกให้ลงไปข้างล่างนาลงมานาลงมาความรู้สึกตอนนั้นมันขัดแย้งกันเองแล้วเกินเฮ้ยเสียงใครเรียกวะอย่าไปอย่าไปกลับเฮ้ยไปเถอะลงไปดูเถอะมีคนมาเรียกอะ่ะเขาอยากเจอเสียงเรียกมันก็เร่งเรานาออกมานาออกมา เรื่อยๆเลยรู้สึกทนไม่ไหวแล้วนอนต่อไม่ได้แล้วลุกขึ้นมานั่งเห็นพ่อเห็นแม่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆธรรมดาพ่อเป็นคนที่หูไวมากได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็ตื่นนั่นแหละแต่คืนเนี้ยหลับสนิทมากและร่างกายของพี่มันก็ไม่รู้เป็นไงมันเดินออกไปตามเสียงเรียกตรงนอกชาญเสียงเรียกมันก็ยังเรียกอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เห็นมีตัวคนเรียกแลพอก้มมองดูที่ใต้ถุน ตรงช่วงระดับพื้นที่มันไม่เท่ากันเฮ้ย hey, ผู้หญิงคนนั้นคนที่เจอในป่ามาอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยังไงเกิดอาการช็อกสุดลงนั่งสายตามันจ้องมาเข ม, ม็งป่าก็บอกนา ah, ลงมานา nah, ลงมาตาวาวน่ากลัวใจสัน่นรู้แค่ว่าตัวเองกำลังลุกเดินไปที่บันไดความคิดมันก็บอกกับตัวเองว่า ain, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ลงไม่ลง ไม่ลงนะเว้ยไม่ลงเสียงในหัวมันก็บอกว่าลงไปเลยลงไปเถอะและพอกํำลังจะก้าวลงมาไดเท่านั้นแหละเสียงพ่อข้ะตกนลั่นเลยไปไหนนะลูกพ่อรีบเดินมาคว้าแขนแล้วก็บอกให้กลับไปนอนในห้องห้ามออกมาข้างนอกอีกก็เลยกลับไปนอนในห้องนอนหลับไปก็ฝันว่าผีผู้หญิงคนนั้นเน่ยมายืนชี้หน้าตาแดงเหมือนไฟเลยนอนดิ้นคลุกคลัก จนแม่ต้องเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้และปลุกให้กินยาแก้ไข้สรุปคืนนั้นพ่อกับแม่ก็ น, นอนกันไม่ค่อยหลับเลยและพอเช้าขึ้นมาสายๆหน่อยเริ่มจะมีแรงกินข้าวต้มที่แม่ทําให้ก็เล่าให้แม่กับพ่อฟังว่าเมื่อคืนที่ออกไปนอกชาแนะเพราะว่าผีที่ป่ามาเรียกพ่อแม่ได้ฟังเท่านั้นแหละพ่อแม่เลยไปตามลุงคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านที่พอจะมีวิชาทางด้านนี้ให้มาช่วย บอกกับลุงคนนั้นว่าผีป่าที่ภูเขามันมาตามมันจะเอาลูกไปอยู่ลุงคนนั้นได้ฟังก็หูวเราะเลยแกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวมันมีวิธีแก้ก็แค่เราหาเครื่องเส้นบัตรพลีไปวางเส้นไว้ที่ตีนเขานะี่ยให้พวกผีมันลงมากินกันพอพวกมันกินกันอิ่มหนำสำราญแล้วมันก็จะไม่เข้ามารบกวนพวกเราอีกหรอกพ่อแม่ก็ตกลงตอนนั้นรู้สึกจะเสียงเงินไปไม่กี่ร้อยบาทก็จัดการหาของไปทําพิธีกัน แล้วก็เดินทางไปทำพิธีกันที่ตีนเชิงเขาั้นั้นระหว่างทำพิธีท้องฟ้ามันมืดน่ากลัวมากเลยทั้งๆที่ไม่มีฝนนะลมก็แรงแล้วพอทำพิธีเสร็จลุงคนนั้นก็กลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเพื่อความสบายใจลุงก็เลยเอาสายสินล้อมบ้านไว้ให้อีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วสบายใจได้แล้วพอตกกลางคืนคืนนั้นก็นอนลุ้นตลอดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มี นี่แหละมันเป็นประสบการณ์การเก็บผักของพี่ที่พี่จดจํามากเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังชอบกินอยู่นะพวกผักหวานเนะ่ยเจอเป็นไม่ได้ต้องซื้อแต่ถ้าเรื่องผีนะ่ยเชื่อเลยว่าล้านอร์เซ็น์มีจริงพี่นาก็เล่าให้ผมฟังผมก็คิดว่ามันก็น่าจะจริงอยู่นะเพราะถ้าที่ผมไปฟังมาแล้วก็ถ่ายทอดต่อให้ทุกท่านได้ฟังถ้ามันไม่มีจริงมันจะมีบุญไหมให้ผมเล่าให้ฟังได้ต่อเหรอแตก็ยังว่าแหละครับก็ขอให้ฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับ อย่าไปคิดอะไรมากเรื่องของพี่นาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของป่าหรือเปล่าหรือว่าเรื่องทั่วๆไปก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ